เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาดโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะ่ยปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอด มามตายหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่โลง่ลงโล่งว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆ สมุติให้เป็นปร่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลงโล่งว่างๆกลวงภายในคล้า ย, ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวน ถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้มประสิจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านในอบรมสั่งสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจ ซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยว่ามีทั้งหมดเจ็ดฐานที่ตั้งฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวา ฐานที่สองที่เลาตาตรงที่หัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักสีสะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางทองระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ทั้งสองตัดกันเป็นกาก บ, บาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นด้ทั้งสองนี่แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หก เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทาเป็นกายมนุษยหยาบใสบริสุทธ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทำดวงนี้น่สำคัญมากถ้าผ่องใสไม่สมอง ชีวิตของเราก็รุงเรือนถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยทำตรงนี้อยู่ตรงฐานที่หกนะจ๊ะคราวนี้ให้สมมุติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปท่า ตรงจุดตัดของเส้นด้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นฐานสุดท้ายที่สำคัญมากเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่น เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้แหละและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นทางไปสู่อายะตนนนิพพานเป็นทางไปสู่อายะตนนนิพพานโดยผ่านเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางของพระอริยเจ้าเระยกว่าอริยมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธ หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิมัคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอสวะทั้งปวงเรียกว่าวิมุตติมัคทางนี้เป็นทางเอกสายเดียวที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้โดยเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ซึ่งประเด็บพระคุณหลวงปู่ก็เราได้คนพบ แล้วก็สรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แว บ, บไปแว บ, บมาคิดไปในในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดหยุดที่ศูนย์กลางกายทานที่เจโดยกำหนดเครื่องหมาย ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากําหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตําหนิไม่มีขีดควรคล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกถึงดวงใสๆพอให้ระะู้ว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดนึกเบาๆง่ายๆคลายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย อ, อย่างนั้นแหละกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอ า, อาดบริสุทธิ์ ระดุดเพชรลูกที่เจรนไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดควรคลายขนแมวโตตัะแก้วตาของเราให้เอาใจมาตรึกนึกถึงดวงใสห ย, ย, ยุดอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกก็คือนึกอย่างเบ า, บานั่นเองสบายสบาย คลายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่คุ้นเคยเห็นจนเจนตานั่นแหละไปตรึกเอาไว้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจยุดยในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราครองใจด้สัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กีสิบกี่ร้อกี่พันกี่มื่นกี่แสนครั้งก็ได้ แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสและก่อใจหยุดไปที่จุดกลางของดวงไใสถ้าหากว่าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองคือภาวนาสัมมาหังไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใส ไม่ช่าใจก็ใจหยุดนิง่งใจที่แบบไปแบบมามันก็จะปล่อยอารมณ์ภายนอกที่เคยนึกคิดถึงเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเป็นต้นก็จะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นนะไม่หยุดนิ่งนิอยู่ที่กลางดวงใสๆมันจะหยุดนิง่ง พอใจหยุดนิ่งนะ่มันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาอารหังไปแต่ว่าใจนะ่ยไม่ได้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือบางทีมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอารหังต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวกใสๆอย่างนี้ อย่างเดียวไปเรื่อยๆถ้าเมไราเกิดอาการหรือความรู้สึกดังกล่าวเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอยในกลางดวงใสๆอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างสบายๆให้มีสติมีความสบาย ให้สม่ำเสมอที่กลางดวงใสๆไม่ชาใจก็จะถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนจะตกศูนย์จากฐานที่เจ็ดไปฐานที่หกจากฐานที่เจ็ดจะตกไปที่ฐานที่หตกลงไป คล้ายๆอาการตกลุมอากาศตอนที่เราขึ้นเครื่องหรือคล้ายๆกับเวลาเราโดดน้ำนะอยู่ในที่สูงแล้วุณโดดลงไปในน้ำนะมันจะวุบวูบลงไปไปที่ฐานที่หกจะไปยกอาดงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธ์โตจะกระฟองไข่แดงของไก่นะ ลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดฐานที่หกซึ่งห่างจากฐานที่เจ็ดแค่สองนิ้วมือภาพที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดตอนนี้แหละเราจะเห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งเหนือจากสะดือ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงกลางท้องจริงๆ จ, นะจะเห็นชัดเพราะว่าใจายหยุดเด้สนิทแล้วทำได้ดึงทำที่ฐาเป็นการมนุษย์หยาสายบริสุทธ์โตแต่กระฟองไข่แดงของไกล่ลอยขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วทำดวงนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ท่าน เ, าเรียกว่าดวงธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมเบื้องต้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมอมมัแตแปลว่าเมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนาณิพานได้บังเกิดขึ้นแล้วต่อจากนี้ไป การเดินทางไปสู่อายตนนนิพพานในเส้นทางสายกลางก็จะบังเกิดขึ้นนี่แหละท่านทึงได้เลยกว่าปฐมมมักถ้าทำตรงนี้ไม่บังเกิดขึ้นไปสู่อายตนนนิพพานไม่ได้ต้องทำตรงนี้ปรากฏก่อนเหมือนประตูไปสู่นิพพานนั่นแหละ ว่าเป็นดวงใสๆใจถึงนิ่งแน่นอยู่แล้วเป็นอัปปนาสมาธิก็นิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานและจะถูกส่วนไปเองพอถูกส่วนก็ขยายถ้าถูกส่วนแล้วจะขยาย ถ้าไม่ถูกส่วนไม่ขยายขยายออกไปเลยกว้างโตใหญ่หนักขึ้นต่อคอไปเลยแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ผุดเกิดขึ้นมาแทนที่เป็นดวงที่ใสกว่าเดิมชัดกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมถ้าเรียกว่าดวงศีล ก็จะมีดวงอย่างเนี้ในทํานองนี้เป็นชั้นๆกันไปรวมแล้วตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนับเป็นหนึ่งเลื่อยไปเป็นหกดวงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงที่หนึ่งในกลางนั้นก็จะเข้าถึงดวงสีลเป็นดวงที่สองในกลางดวงสีก็จะเข้าถึงดวงสมาธิดวงที่สาม ในกลางดวงสมาธิจะเข้าถึงดวงปัญญาเป็นดวงที่สี่ในกลางดวงปัญญาจะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงที่ห้าในกลางดวงวิมุตต์จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณอัตสนะเป็นดวงที่หกกดวงนี้เป็นชุดหนึ่งจะขั้นอยู่ระหว่างกายต่อกายแต่ละดวงนั้นแม้มีลักษณะคล้ายคกัน กลมรอบตัวไสบริสุทธิ์สว่างคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สว่างกว่าคือดวงธรรมที่ละเอียดจะสว่างกว่าดวงธรรมที่หยาบกว่าแต่ละดวงนั้นมีรสชาติแตกต่างกันไปคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปธรรมานุปัสสนาติปฐานอย่างหนึง่ง สีน์อย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาวมุติเมุติยานทศัศน์ก็ระย่างกันอย่างนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ดูคล้ายคล้ากันนะมันแตกต่างกันไปพราอสุดกลางดวงเวมุติยานทศัศนะก็จะเข้าวถึงกายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเรา ท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งกัดสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายของเราหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนกายมนต์ละเอียก็หันหน้าไปทางนั้นอยู่ในวัยที่จเจริญกว่า แยะใจของกายมันลดละเอียดก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายในกายสลับกระดวงธรรมหนึ่งชุดซึ่งมีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอะรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตภูหยาบกายธรรมโคตภูละเอียด กายทำประสดาบัญญะกายทำประสดาบาัญญัติเป็นกายองค์พระใสบริสุทธิ์ตั้งแต่กายทำโคตพูไปนะ่ะกายทำโคตพูนั้นหน้าตักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเป็นกายที่สวยงามประกอบไปด้วยลักษณะมหาบรุทครบท้วนทุกประการ ถึงแต่กายอรูณ์ผมถึงกายมนุษย์หยาบยังไม่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบท้วนทุกประการแต่กายธรรมนี้มีลักษณะมหาบุรุษครบท้วนทุกประการเกศ ด, ดอกบัวตูมใสเกินใสใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสหนักยิ่งขึ้นหน้าตักหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อย กายธรรมโสดาบันอยากละเอียดหน้าตักหา้าวะสงห้าวแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกัตาาากกาถ า, าคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวะแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตักสิบพ้าวะสงสิบพ้าวะแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระรหัส หน้าตักยี่สิบว่าทรงยี่สิบวาใสบริสุทธิ์ทีเดียวกายทำอรหัสนั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตก็เป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกิเลสอาสวะทั้งหลายนั้นบรรคับบรรชาได้มาถึงกายธรรมพระอนาคามีตั้งแต่พระอนาคามีลงมาถึงกายมนุษย์หยาบนี่แหละ กิเลสเขาบังคับกันอยู่ในช่วงนี้นะกายธรรมรัตน์เป็นกายที่หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายใสยบริสุทธิ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นกิเลสอาสวะจะเนี่ยวรั้งไอ้อยู่ในภพสามนั่นนะจึงเหนี่ยวรั้งไม่ได้เพราะว่าพ้นแล้วพ้นจากกฎของไตรลักษ คือความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็พ้นจากกฎแห่งกรรมพ้นทั้งสองกฎเลยกายทำอรหัตหน้าตักยี่สิบว่าทรงยี่สิบว่าใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิจําให้ดีนะลูกนะกายทำอรหัตนี่แหละ เป็นจุดหมายปลายทางของเราตั้งแต่กายธรรมโคตพูเป็นพระรัตนาไตรตั้งแต่โคตพูเรื่อยมาเลยถึงกายธรรมอรหันตเป็นพระรตนาไตรเป็นพุทธรัตตนาดวงธรรมทุธาเป็นกายกายธรรมเรียว่าธรรมรหันต์เป็นครั้งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ และกการทำละเอียดนั่นเป็นสรรครนะัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระดึกของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายทีเดียวหลวงปู่ของเราท่านได้ค้นพบกายในกายต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดกายในกายต่างๆเหล่านี้ธรรมต่างๆ ที่เป็นยุดยุดขั้นระหว่างกายนั่นแหละท่านพบที่วัดโบสถ์บางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเมือ่อแปสิบกว่าปีที่แล้วลาลาวแปบห้าปีเราลา่านี้ในพรรษาที่ส1บอในพรรษาที่ส1บอขึ้นส5บห้าคำ เดือนสิบซึ่งปีนี้มาตรงกับวันนี้เนะี่ยวันเสาร์ที่ย1สบอ็ดกันยายนพุทธศักราชสัห้าท่านมาพบทางมรรคผลนิพพานนีนะ้ที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีบวชมาได้แล้วสิบพรรษาอย่างพรรษาสิบเ็ ในระหว่างนั้นก็ศึกษาหาความรู้เพื่อจะจะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์สมัยนั้นขนิยมกันอย่างไรก็ศึกษาดูระบบระเบียบแบบแผนที่หลวงปู่หลวงตาท่านรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมายาวนานทีเดียวจนมาถึงท่าน วารักษาผู้ศาสนา ก, กันมาอย่างไรวิชาอะไรเนี่ยที่ควรจะศึกษาท่านก็ศึกษามาหมดในเส้นทางของบรรพชิตทุ ด, ดงท่านก็เดินทุ ด, ดงศึกษาทุดดงกับวัดเมื่อมีโอกาสยามไหนยามว่างก็ ข้าวปลาข้าวเขาสแสวงหาโมกขธรรมปรีกตัวให้กายวิเวกเพื่อจิตจะได้วิเวกจิตตัววิเวกอุปธิจะได้วิเวกกิเลสจะได้สงบลมงับกันไปสแสวงหาหนทางผลทุกข์เรื่อยมาเลยตั้งแต่บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมะ จเจริญกรรมฐานจเจริญภาวนานี้เนะี่ยไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตัว ด, ดงเข้าป่าเข้าเขาก็ไปสแสวงหามันแล้วหลวงพ่อก็เคยได้พบป่ากับหลวงปู่หลายรูปที่ได้เคยได้รวมเดินทางทุดดงกับหลวงปู่ของเราเนี่ยเพื่อจะได้ศึกษาข้อวัด ปฏิบัติปฏิปทาอะไรต่างๆของท่านถั้งแต่ละองค์อายุก็เกสิบกว่าล่าสุดนี่ก็อายุหนึ่งอเจดปีที่ได้เคยร่วมเดินทุ ด, ดงกับหลวงปู่ของเรานะแต่หลวงปู่ของเรานะอายุท่านแก่พรรษากว่าก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้ผ่านขบวนการศึกษาสแสวงหาหานทางมรรคผลนิพพานมา แต่งแต่บวชวันแรกวันลงขึ้นก็แสวงหาเรื่อยมาปฏิบัติทั้งภาคธฤสฎีปริยัตปฏิบัติปฏิเวกกับศึกษากันมาหมดแต่ว่าเป็นที่หน้าประหลาดใจวาระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนะ่ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจนหายสงสัยถึงเรื่องทางมรรคผลนิพพาน ท่านจึงได้วางความรู้เหล่านั้นทั้งหมดความรู้ทั้งหลายเอาไว้บนหิ้งบูชาแต่ว่ามาศึกษาความจริงของชีวิตด้วยตัวนั่นเองท่านก็วางเอาไว้ทั้งหมดเลยที่เคยศึกษาที่เคยเพื่อพืชปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจากตำรับตำลาคำพีต่างๆแล้วก็ได้วันขึ้นสิบปาค่าเดือนสิ ณโบสถ์วัดโบสถ์บางคูเวียงซึ่งเป็นที่ส ง, งัดพระวยูนในสวนมีนสวนล้อมรอบเหียบส ง, งัดก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยชีวิตปล่อยชีวิตเพื่อสแสวงหาทางมาผลผานิพพานพอจะไปพบทางแล้วเราก็ จะไม่ลุกจากที่จะไม่เลิกละในการทำความเพียรแม้เนื้อเลือด ก, กระดูกเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างมันตายก็ไม่ว่าขอให้ได้พบทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะความรู้ต่างๆที่เรียนมาท่านวางไว้หมดในใจจึงเกลี้ยงเกลา ไม่มีความรู้ใดๆที่เคยศึกษามันเลยค้างค้างอยู่ในใจเป็นใจของนักศึกษาหนุ่มอายุส3สาปีนักบวชพันษาที่ส1อที่มีใจอย่างเนิวเน่ที่จ ะ, สะแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, จาและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านใดบรรลุ ท่านก็วางจิตของท่านอย่างแน่วแน่วางใจหยุดนิ่งตั้งแต่ยามเย็นยามเย็นที่ได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไวไ้จะไม่ลุกจากที่แต่ไม่ได้พ้นทุกข์ข่้นก็หยุดนิ่งเงินเลื่อยมาเลยใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งภายใน ตัวของท่านนั่นแหละและในที่สุดจึงได้พบช่องทางภายในและจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนิฏิพานได้พบเห็นช่องทางภายในแล้วก็ได้เข้าถึงปฐมอมมักในคืนนั้นได้เข้าถึงปฐมอมมักได้ เข้าถึงทางสายกลางภายในได้เข้าถึงกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมเท่านั้นแหละแต่กระตรวตาทีเดียวเปนธรรมกายที่เข้าถึงมองย้อนหลังทบทวนกลับไปกลับมาทีเดียว ถึงเส้นทางที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็สรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วไม่มีที่จะสาเร็จได้หยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จใจที่แวบบไปแวบบมาต้องเอามาหยุดเอามันนิ่งจึงจะเข้าถึงได้เพราะใจหยุดก็ดับ ดับโบลงไปพอดับก็เกิดมาเป็นดวงธรรมพอหยุดก็ดับพอดับก็เกิดเกิดเป็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเมื่อเห็นธรรมไม่ช้าก็หาเห็นทถาคตกำลังเนินไปตามทำดงนั้นโดยเข้าสู่เส้นทางสายกลางหยุดนิ่งเร่ยไปไม่ได้ทําอย่างอื่นเลย ยุดไปตามลำดับก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ใช่เป็นความรู้จำที่ได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาได้อ่านมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากความคิดคิดคนดนเดาเกิดจินตนาการที่เรียกว่าจินตมัจจะปัญญา ต่เป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่เรียกว่าตรัสรูนะ้เมื่อได้บรรลุธรรมกายธรระออมมันยากอย่างนี้นี่เองต้องหยุดซะก่อนจึงดับดับแล้วทมจึงเกิดเห็นทำแล้วจึงจะเห็นพระธถาคตฏเจ้าจิตทงมันทั้งจะดำเนินกันไปตามลำดับเข้าถึงธรรมกาย จึงได้ทบทวนความรู้ตลอดทั้งคืนทีเดียวทบไปทวนมาทบไปทวนมาเข้าออกกายต่างๆจนกระทั่งคลองแล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมตามท่านนั้นนะมีอยู่มีอยู่ที่วัดบางปลาทั้งพระทั้งเครือหัดและบรรพิตทั้งพระทั้งครวะ มีอยู่แล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่มีทุลีในดวงตาหรือทุลีในใจเนะี่ยหรือกิเลสเบาบางไม่บุญพอที่จะบรรลุธรรมกายนี้เนะี่ยมีอยู่อีกมากมายเลยแต่จะต้องไปเริ่มต้นที่วัดบางปลาแต่งนันพายในภรษา น, นั้น ท่านก็ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายต่อไปพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านว่า ค, คล้ายๆกับวันที่ประสัม ม, ส ม, มาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเจ็ดสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกได้บรรลุแล้วก็สบวบรวิมุติสุขสัปดาห์ถัดมาก็ยืนยืนลำพึงถึงธรรม คือมองตรวจตาแต่ในอริยบทยืนถึงธรรมที่ได้บรรลุและสัปดาห์ถัดมาก็เดินจงกรมพิจารณากันไปเรื่อยๆสัปดาห์ที่สี่เทวดามื่นโลกธาตสงสัยว่าพระสมมาสบาาับพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหรือยัง เพราะว่าชบพันรารังสีก็ยังไม่ปรากฏอนุภาพต่างต่างก็ยังไม่ได้แสดงในสัปดาห์ที่สี่ท่านจึงได้พิจารณาปฏิจจสมบุปบาทปัจจัยาการต่างๆและเหตุปัจจัย24ซึ่งพิจารณาหลังจากที่ได้ตัสโลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, จาแล้วนะ ชัพนารังสีก็เปลงสว่างในสัปดาห์ที่สี่เปลงสว่างทีเดียวแล้วทัางก็เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารเป็นครั้งที่หนึ่งทำลายความสงสัยของเทวดาทั้งหลายพรมบรลูพรมที่มาจากโลกธาตุต่างๆจากภพภูมิต่างๆ ให้หมดสิ้นไปว่าพระสัมมาสัมุจ้าบังเกิดขึ้นแล้วมหาบุรุษได้ตัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสัปดาห์ที่ห้าพยามารก็มาทูลให้ดับขันธบรินิพานนี่ก็เป็นเรื่องแปลกทีเดียวว่าท่านบรรลุแล้วตายเถอะอยู่ไปทำไมก็ได้บรรลุแล้วสมหวังแล้ว แต่ก็ได้ตรวจตราดูโดยปล่อยใจเข้านิโรธสมาบัติไปถามพรเจ้าในอดีต ท, ที่มีธรรมกายปรากฏอยู่ในอยนายตนะนิพพานเข้าไปในนิพพานในดึกดำบร น, นูน่นดูพุทธประเพณีหลังจากตัสรู้ทำแล้วะจะต้องทำอะไร ก็เห็นว่าจะต้องโปรดรั์ก็ได้โต้ตอบคุยกับพยา ม, มารไปยังไม่ปรินิพานหรอกจะอยู่โปรดรั์และก็ไดคุยเงื่อนไขกันระหว่างพยานำพยา ม, มารกับพระองค์นั่นมารที่มาสัปดาทีหานี้ไม่ใช่วัสวตีมารเทวบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นประนิมิตวัสวตัตต แต่เป็นมารจริงๆส่งตัวแทนมาคุยลักษณะก็เหมือนกับกายธรรมอรหัตอรหันตส์สมมาสมุทจ้าการวัรุธรรมของท่านนะมันเลยไปเลยสิบปดกายไปกายหนึ่งโนะตใหญ่ทีเดียวเขาเรียกว่ากายพระสมมาสมุทจ้าสุขใสสว่างเพราะสัปดาห์ที่หและสัปดาห์ที่เจ ก็เตรียมการสอนตรวจตาแปดหมืม่นสี่พันปฐมคันดูว่าจะไปสอนสัตว์โลกที่มีจริตอัยาศัยแตกต่างกันบางพวกราคะจริตบางพวกโทสะจริตโมหะจริตอิตตกจริตศรัทธาจริตพุตธิจริตเป็นตน้นอัยาศัยที่แตกต่างอินทรีย์ที่แก่อ่อนต่างกันเหมือนบัวสีเหล่า ตรวจตาดูในสัปดาห์ที่หกับสัปดาห์ที่เจ็ตรวจดูทีเดียวเขานิโรธมาบัดไปตรวจไปและสัปดาห์ที่แดพรมจึงมาอารัตนาให้แสดงธรรมท่านกระไดเริมเผยแผ่ธรรมกับพระปั ญ, ปญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักกับอวตานสูตรต่พระวั ต, ตวัญญา ท่านได้บรรลุธรรมเป็นระโสดาบันท่านได้ใช้คำว่าอัญญาโกทัญญะว่าท่านโกทัญญะเห็นแล้วเห็นตามแล้วบรรลุแล้วหลวงปู่ของเราก็ตรวจตาตลอดนับจากขึ้นสิบ่้าคำเดินสิบบรรลุธรรมกายแล้วก็ตรวจตาศึกษากันต่อไปโดยธรรมกาย ตรวจดูการบรรลุธรรมทั้งของตนเองและของผู้ที่บรรลุผ่านมาแล้วในอดีตตรวจตาจนกระทั่งตรงกันตลอดพรรษานั้นทีเดียวเห็นตลอดหมดเลยว่าจะดับขันธะปรินิพานหรือจะถอดกายในแต่ละกายกันอย่างไร กายที่มีซ้อนซ้อนกันอยู่นี่เขาดับกันอย่างไรเขาถอดกันอย่างไรกายที่จะทำให้เกิดในภพทั้งสามในวัฏสงสารนะมองดูอะไรเป็นเหตุตรึงให้สัตว์โลกเกิดอะไรเป็นเครื่องดับทำให้ไม่เกิดที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรมลูพม โคตพูโซดาพระสกิตธิคาพระอนาคาคาตรวจตราดูตลอดทีเดียวว่าเขาถอดกันอย่างไรเป็นอย่างไรจนกระทั่งเรือกายทำอรหัสหน่าตักยี่สิบวาสู o m ยี่สิบวาตรวจหมดตลอดพรรษานั้นพระเจ้าล น, นภายในพัรษา41่สิจึงเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถน า, ข อ, าน ข, อของท่านและของโลกของท่านและของโลก เมื่อท่านสว่างโลกก็สว่างด้วยท่านสว่างด้วยธรรมกายสว่างด้วยวิชาธรรมกายออกพรรษาแล้วก็ไปแจกจ่ายความสว่างความรู้ที่ท่านได้บรรลุแก่ผู้มีบุญทั้งหลายที่วัดบางปลาที่วัดบางปลามีทั้งกระหัตและบัรปชิต ได้บรรลุทำตามท่านบรรลุธรรมกายแล้วก็เผยแผ่วิจชชาธรรมกาย เ, าเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งท่านได้มาเป็นสมภารปกครองวัดปากนา้ำภาษีเจริญแต่ก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยแต่เดิมนั้นสอนตัวเองและก็ททำอะไรทำจริง ตอมาสอนทั้งตัวเองและสอนทั้งผู้อื่นด้วยเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนเรียนวิชาธรรมกายด้วยแล้วก็สอนวิชาธรรมกายด้วยทางมรรคผลนิพพานท่ทานก็สอนตรวจตาให้ตรงกันกันกบในพระไตรปิฎกสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ตอบกันอ่ำอ่ำอึ้งๆึ้งกันว่ามีจริงไหมเช่นเรื่องนรก สวรรค์กฎแห่งกรรมมรรผลนิพพานอะไรต่างๆไปถามคณาจารย์ต่างๆมักจะได้ยินคาตอบที่ทําให้ยังคลางแคลงยังไม่มั่นใจในคาตอบนั้นเช่นถามเรื่องนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมมักจะได้ยินคําตอบว่าน่าจะมีจริงนะเขาว่ามีจริงเพ ร, ะระาะพุทธาภิษกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่คำนี้เนี่ยไม่มีในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเลยเมื่อท่านได้บรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงธรรมกายแล้วตรวจตราดูธรรมกายมีปรากฏจริงอยู่ในคำพีและก็ใช้ธรรมกายนี่แหละได้อนุภาพธรรมกายจึงได้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและการเบียว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนารกสวรรค์จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน ซึ่งท่านก็จะยืนยันในคำเทศนาของท่านอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วสามารถไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกไปสวรรค์นั้นปันพรุโุดบุปการดีญาติสนิทพิษสหายของเราไปตกนรกก็ไปช่วยได้ไปเกิดบนสวรรค์ก็เอาบุญไปให้ได้ จะจับมือถือแขนกันได้ด้วยท่านยืนยันอย่างนี้ทีเดียวจนกระทั่งหมดอายุไขของท่านยืนยันกันจนถึงวันสุดท้ายทีเดียวตั้งแต่พรรษาที่สิบเอดได้บรรลุธรรมกายธรรมกายจึงได้ขยายเผยแผ่เรื่อยมาสืบมาจนทุกวันนี้นะทำให้เรานี้เนะี่ย สมหวังในชีวิตคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาในชาตินี้แต่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อสักสองอปีที่แล้วเราก็จะพลาดโอกาสไม่เป็นขณะไม่เป็นสมัยที่จะได้บรรลุธรรมกายเพราะฉะนั้นเกิดมาในขณะนี้เนี่ยแค่ว่ามีหัวมีตัวมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีสมบัติอื่นใดเลยเนี่ย ได้ยินคําว่าธรรมกายบางเกิดขึ้นคุ้มแล้วสําหรับการเกิดผริชาตินี้ได้ยินแล้วได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติก็คุ้มแล้วที่ได้เกิดในชาตินี้ปฏิบัติแล้วได้พบธรรมกายได้ชื่ว่าสมหวังดังใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาินี้แม้มีตัวครึ่งตัวตัดขาออกไป เหลือตัวครึ่งตัวชาวโลกก็เรียกว่าคนพิการแต่ความจริงแล้วไม่ได้พิการเลยถ้าเขาถึงธรรมกายแต่ชาวโลกใดแม้สมบูรณ์ไปด้ยทรัพย์สินเงินทองลาบยศอำนาจวาสนามีอายุยืนยาวเป็นล้อยปีถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ประพฤติปฏิบัติได้เข้าถึงแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนพิกลพิการทีเดียว ดังนั้นมาเกิดในยุคนี้แม่ไม่มีสมบัติอันใดติดตัวนอกจากรูปสมบัติคือกายก่อนนี้แค่ครึ่งหนึ่งของกายยังมีชีวิตยอยู่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายถือว่าสมหวังดังใจในการเข้าถึงแล้ววันนี้เป็นวันครูธรรมกายที่เราได้ มาประชุมพร้อมกันในทุกๆปีคืนส5บห้าคำเดือนสิบปีนี้มาตรงกับวันเสาร์ที่21สบอ็ดกันยายนเรามาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะได้มาประกอบพิธีไหว้ครู ว, วิชาธรรมกายเซฟเป็นวิชาของมรรคผลนิพพานวิชาของรสสมมาสมบุธเจ้าเพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติทามของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ลูกทุกคนได้ทําใจหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสอย่าให้มีความคิดอื่นใดกลับมาแทรกในจิตใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียว ใ, ใจเรานั้น มีแต่พระสัมมาสัมบุตธเจา้ามีแต่วิชาธรรมกายมีแต่หลวงปู่ของเรามีแต่หลวงปู่และครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดมีพระสัมมาสัมบุตธเจา้ามีวิชาธรรมกายและก็มีหลวงปู่ของเราให้สิงสถยอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ของเรานะลูกนะ ใจของเราจะได้ใส่ใสการประกอบพิธีบูชาครูธรรมกายในวันนี้จะได้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพให้ลูกทุกคนผู้มีศรัธทธาเลื่อมใสในวิชาธรรมกายของพระสมมาสมบูรณจญานี้ได้บรรลุมรรผลนิพพานในบรรลุวิชาธรรมกายอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบ หลับตาพนมมือขึ้นพร้อมพร้อมกันเราจะได้ประกอบพิธีไหวครูวิชาธรรมกายกันต่อไปนะลูกนะเมื่อกล่าวคำไหวครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวมใจหยุด ในหยุดหยุดในหยุดลงไปตรงกลางของกลางกายของเรานะลูกนะหยุดให้นิ่งน่งเพื่อให้อนุภาพแห่งครูวิชาธรรมกายตั้งแต่พระต้นธาตุตนธรรมพระบระมพุทธเจ้าทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน ประสัพันโยพระจ้าทั้งปวงพระประเจกับพรเจ้าและพระอาราหันตเจ้าไม่มีประมาณรวมทั้งความรู้วิชาธรรมกายและอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชรคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกาย และคุณยายอาจารย์ของเรานะให้ซ้อนลงมาในศูนย์กลางกายทุกๆ ก, กายของเราซ้อนไปทุกอนูอนูเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของเราซ้อนมาจากกลางของกลางนะกลั่นกายว่าจากใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจาก บัตรบาตศักดิ์สิทธิ์มีบากรรมวิบากมานอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่ยังมืดเตื้อมือดมิดให้ละลายหายสูญไปจากมืดก็ขอให้สว่างจากฟุ้งซ่านก็ขอให้มาหยุดนิ่งๆให้ใจมั่นคง เปียแปลงจากผู้ไม่บริสุทธิ์มาเป็นผู้ดี่บริสุทธิ์จากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากมืดมาสว่างจากสว่างมาเข้าถึงดวงธรรมจากดวงธรรมขอให้ได้เข้าถึงกายภายในจากกายภายในให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายจากพระธรรมกายก็ให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกาย อย่างถูกต้องลองลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการด้วยจิตอันบริสุทธิ์ผุดพองที่จะศึกษาวิชาธรรมกายเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความรู้แจง้งเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเราและชาวโลกทั้งหลายต่อตัวเราและมวลมนุษยชาติไม่จำกัดเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธ์ รวมทั้งสัพปสัตทั้งปวงที่ไม่มีประมาณนั้นขอให้อานุภาพอันไม่มีประมาณของวิชาธรรมกายของพระตนวิชามหาปูชนียาจารย์ไอสิงสถิตยอยู่ในกายวาจาใจขอ ง, งนานสืไปและนับจากวันนี้นะลูกนะหลังจากเราได้ประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกาย เมือ่อต้นวิชาความรู้แต่มหาปูชินิยาจารย์เขาสิงสถิตยอยู่ในใจอยู่ในกายอยู่ในวาจาของเราแล้วนะทั้งจกักุทวารโสตทวารขานะจิวหากา ย, ยมโนโทั้งหมดให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะลูกนะอย่าเกียติคร้านในการประพฤติปฏิบัติธรรม การบ้านทุกการบ้านที่ให้ไปนะ่ะหมั่นศึกษาฝึกฝนและทำให้คล่องปฏิบัติธรรมะอย่าให้ขาดอย่ามีข้อแม่ข้ออางหรือเงืน่นไขว่าเราเหนื่อยนักเราเพลียนักเรายังง่วงเรายังไม่พร้อมเรายังไม่หวางอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้ เป็นข้ออ่างเรื่องเงื่อนไขนะลูกนะเพราะเรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดเวลาที่เหลืออยู่นี่มันน้อยมากใครจะไปรู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับเราหรือไม่มีตัวอย่างที่เป็น case study หรือตัวอย่างที่เอาไว้ให้เราได้ศึกษามากมายซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่า หลูกทุกๆคนได้รับฟังกันไปแล้วนะนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสิ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลต้องทิ้งให้มันหมดไม่ใช่ลดละแต่ว่าต้องเลิกเลยสิ่งอะไรที่เป็นกุศลธรรมนะทั้งการศีลภาวนาเป็นต้นจะต้องทําให้มันเจริญ ทำให้มากทำ บ, บ่อยๆจนกว่าความปลื้มและความปิติความภาคภูมิใจมันเกิดขึ้นนึกเมื่อไรเนะี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเมื่อนั้นธรรมปฏิบัติจะต้องทำให้ได้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันเลยไม่ว่าจะแข็งแรงจะเจ็บไข้ใดป่วยจะมีภาระเกตดการงานมากมายแค่ไหนก็ตาม ทรัพ ส, สมบัติในโลกนี้เนะี่ยเอาไปไม่ได้นอกจะเป็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงสังขารและเป็นอุปกรณ์สร้างบารมีเท่านั้นแหละอย่าไป ต, ติดยึดอะไรกันมากมายนะเอาพอดีพอดีและอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างว่าไม่ว่างไม่พร้อมแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติธรมเรายังมีสิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อีกเยอะนะลูกนะ เพราะฉะนั้นนับจากวันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจศึกษาวิชาธรรมกายให้เต็มที่ความหมองกับความใสของใจนั่นแหละจะเป็นเครื่องสรุปงบดุลชีวิตของลูกทุกคนถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไป ถ้าพองใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นโลกแล้วแต่เราคติแล้วแต่เราเราจะไปสู่สุคติหรือจะไปสู่ทุกขติมันก็แล้วแต่เราเนั่นแหละพพภูมิต่างๆสวรรค์ทุกชั้นมีเอาไว้สำหรับผู้มีบุญเราจะเลือก ที่จะไปอยู่ภพภูมิไหนหนม่นก็แล้วแต่เราและเราจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปอยู่ภพภูมิไหนได้รวมทั้งเป็นที่เต็มใจของผู้ที่อยู่ในภพภูมินั้นที่จะต้อนรับนั่นก็คือการบรรลุธรรมกายนั่นเองการบรรลุธรรมกายจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตนอกนั้นเป็นเพียงครึ่งประกอบนลรกนะ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะต้องตั้งใจมั่นว่าเราจะทำการบ้านให้ครบแต่ปฏิบัติธรรมะให้ดีละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนะลูกนะให้ลูกทุกคนนะรวมใจอธิษฐานจิตตั้งใจมั่นอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้นี้นะจ๊ะ แล้วก็ให้ใจใสที่สุดทั้งวันวันนี้แม้มีภ า, ารกิจอะไรก็ตามอย่าให้ใจห่างจากตนวิชาอย่าให้ใจห่างจากวิชาธรรมกายอย่าให้ใจห่างจากมหาปูชนียาจารย์ให้ใจใสใสกันทุกคนลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังนั่งใจ ในการกาถึงวิชาธรรมกายนะจ๊ะ